ที่นี่ระวังจำหน่ายผลผลิตทางการเกศตรผลิตภัณฑ์แปรรูปสดสะอาดและปลอดไพรใส่กรอกไหร้แป้งไหร้สารการบูดเนื้อหูอ่ะพรีเมียมว้าวผักสดผักสลัดไขเหตุน้องสดจากฟาร์มผลิตภัณฑ์เบอรี่และอื่นอื่นอีกมากมาย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 ศูนย์92 318 9887หรือที่แฟนเพจ RMUTT Innovation and Knowledge Center ศูนย์นวัตรกรรมและความรู้ชั้นเจ็ดศูนย์การค้าบางซื่อจังชันฟู้ดเดลิเวอรี่พร้อมเสิร์ฟความรู้คู่ความอร่อยหลากหลายช่วงรายการหลากหลายรสชาติทาง FM 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรี สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการฟู้ดเดลิเวอรีครับกลับมาพบกับผมนัทพลดีอุดครับทุกวันอังคารแบบนี้ครับทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM แปดสิบเก้าจุดห้ามิลลิเฮิร์ตนะครับกับข่าวสารนะฮะ บ, บทความต่างๆเกี่ยวกับอาหารผู้ชนะการต่างๆนะครับรวมถึงเมนูใหม่ๆเมนูต่างๆนะฮะที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ฟังในชีรายการ ฟู้ดเดลิเวอรี่แห่งนี้นะครับทั้งสี่ช่วงของรายการนะครับที่จะมาพร้อมกับเนื้อหาสาระที่หลากหลายแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะฮะเรามาเริ่มต้นกันในช่วงแรกกับเรื่องราวจากกระทรวงพาณิชย์ของญี่ปุ่นนะครับที่เผยถึงการแก้ไขระเบียบการติดฉลาก GMO สินค้าอาหารใหม่นะครับที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่1เมษายน2566นี้นะครับโดยกรมการค้าต่างประเทศเผยญี่ปุ่นแก้ไขระเบียบ การติดฉลากอาหารดัดแปลงพันธุกกรรมใหม่นะครับโดยให้ใช้คำว่า ฟรีฟอร์ม GMO สำหรับอาหารที่ผ่านการทดสอบว่าไม่มีวัตถุดิบที่เป็น GMO รวมถึงอาหารที่อาจปนเปื้อนจากขั้นตอนการผลิตหรือมีวัตถุดิบที่เป็น GMO ต่ำกว่าห้าเปอร์เซ็นต์นะครับโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกโดยกรมการค้าต่างประเทศเองก็แนะให้ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกไทยเนี่ยเตรียมรับมือกับเรื่องนี้ด้วยนะครับโดยนายกิรติรัชโนรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่นนะครับหรือว่า CA ได้ประกาศแก้ไขร่างระเบียบการติดฉลากอาหารดัดแปลงพันธุกรรมหรือว่า GMO นะฮะโดวยระเบียบกำหนดให้ใช้ข้อความว่าฟรีฟอร์ม GMO กำกับบนฉลากสำหรับอาหารที่ได้ผ่านการทดสอบว่าไม่มีวัตถุดิบที่เป็น GMO รวมถึงอาหารที่อาจมีการปนเปื้อนจากขั้นตอนการผลิตหรือสายการผลิตที่ใช้อาหาร GMO และไม่ใช่ GMO นะครับหรือในกรณีที่มีส่วนประกอบของวัตถุดิบที่เป็น GMO ต่ำกว่าร้อยละห้าด้วยนะครับหลังจากที่ผ่านมานะครับระเบียบการติดฉลากของญี่ปุ่นฉบับปัจจุบันไม่ได้กำหนดให้ระบุบนฉลากหากผลิตภัณฑ์ น, นั้น มีส่วนประกอบของวัตถุดิบที่เป็น GMO ในปริมาณที่ต่ำกว่าร้อยละห้าโดยระเบียบฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็นต้นไปนะครับทางนี้เองครับระเบียบฉบับใหม่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บรโิโภคของชาวญี่ปุ่นเองให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ GMO อย่างชัดเจนเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการเลือกซื้ออาหารนะครับรวมถึงระเบียบนี้ จะช่วยคุ้มครองผู้บริโภคจากความเสี่ยงต่อสุขภาพและอนามัยทางด้านอาหารและจะช่วยส่งเสริมสุขภาพชีวิตประจำวันของการบริโภคและเพื่อชั้นาการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งผู้ส่งออกสินค้าของอาหารไทยเองจะต้องศึกษาและเตรียมความพร้อม ให้รองรับกับการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกด้วยนะครับสำหรับ GMO ครับคุณผู้ฟังก็คือสิ่งที่มีชีวิตที่ผ่านการดัดแปลงพันธุ ก, กรรมนะฮะได้แก่พืชสัตว์หรือจุลินทรีย์นะครับโดยตัดต่อใส่เข้าไปในยีนของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งและนำยีนของสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถนำมาผสมพันธุ์กันได้ตามธรรมชาติมาตัดต่อเข้าด้วยกันนะครับเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติจำเพาะตรงตามความต้องการรวมทั้งส่งเสริมจด การผลิตให้กับผลิตภัณฑ์ในทางกับกันเองนะครับคุณผู้ฟัง GMO เองก็อาจจะส่งผลให้เซลล์ในร่างกายมีพันธุกรรมที่ผิดปกติอย่างเช่นการแพ้ยาแพ้อาหารการดื้อยาปฏิชีวนะก่อให้เกิดสารภูมิแพ้หรือทำให้เด็กที่เกิดมาเองเนี่ยมีความผิดปกติทางพันธุกรรมได้นะครับและอาจจะส่งผลต่อระบบนิเวศอย่างควบคุมไม่ได้และอาจทำให้เกิดการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิดได้นะครับด้วยปัจจุบันครับคุณผู้ฟังไทยมูลค่าการซุ้งออกสินค้า กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรไปยังประเทศญี่ปุ่นนะฮะอย่างเช่นในปี2559มีมูลค่าถึง 62,186 ล้านบาทนะครับในปี2560มูลค่า 59,915 ล้านบาทนะครับและปี2561มูลค่ากว่า 63,339 ล้านบาทนะครับและในช่วง8เดือนของปี2562ตั้งแต่เดือนม ก, กราถึงเดือนสิงหาคมนะครับมีการส่งออกสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรไปยังประเทศญี่ปุ่นมูลค่ากว่า 38,000 824ล้านบาทนะครับซึ่งลดลงจากเดิมถึง 3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของในปี2561นะครับทางนี้ครับคุณผู้ฟังผูดก้ประกอบการผู้ส่งออกหรือหน่วย ง, งานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ที่กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการกา ร, การค้านะฮะโทรหมายเลขโทรศรัพท์02 547 5095หรือสายด่วน1385นะครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกนี้นะครับเป็นการ แน่นะฮะผู้ผลิตรวมถึงผู้ส่งออกจากไทยที่ส่งสินค้าทางการเกษตรไปยังประเทศญี่ปุ่นนะครับกับการที่กระทรวงพาณิชย์ของญี่ปุ่นนะคะได้แก้ไขระเบียบการติดฉลาก GMO สินค้าอาหารใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้1เมษายน2566นี้นะครับทุกท่านครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับช่วงของเรื่องเล่าก่อนเข้าครัวนะครับวันนี้เรื่องเล่าก่อนเข้าครัวมีเรื่องราวของการสร้างนิสัยบริโภคที่ดีนะครับซึ่งการบริโภคที่ดีก็จะสร้างสุขภาพที่ ที่ดีตามมาด้วยนะครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้ผมเตรียมไว้ในช่วงหน้าแล้วแต่ช่วงนี้เราพักกันสักคู่ครับฟู้ดเจนิฟอรี่พร้อมเสิร์ฟความรู้คู่ความอร่อยหลากหลายช่วงรายการหลากหลายรสชาติทางเอฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้าวิทยุราชมงคลธัญบุรีอาร์เอ็มยูทีทีฟาร์มชอปยินดีนดต้อนรับค่ะ ที่นี่ระวังจำหน่ายผลผลิตทางการเกศตรผลิตภัณฑ์แปรรูปสดสะอาดและกอดภัยแส่กรอกไหร้แป้งไหร้สารกันบูตรเนื้อหูอ่ะพรีเมียมว้าวผักสดผักสลัดไขเหตุ <H ed. S 1> น้องสดจากฟาร์มผลิตภัณฑ์เบอรี่และอื่นอื่นอีกมากมาย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 คุณฟังครับวันนี้เรื่องเล่าก่อนเข้าครัวนะครับนำเรื่องราวของการสร้างนิสัยการบริโภคที่ดีเพื่อเป็นการสร้างสุขภาพที่ดีนะครับคุณฟังครับต้องบอกว่าการสร้างบริโภคที่ใส่ที่ดีนั้นจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดนะครับในการที่จะมีสุขภาพที่ดีไปตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าการกินอาหารที่เป็นประโยชน์ครับคุณฟังกินในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้นจะสามารถป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆให้ห่างไกลจากตัวเราได้นะครับโดยต้องคำนึงถึงคุณภาพของอาหารเป็นหลักอยู่เสมอไม่ใช่ราคาหรือ อความอร่อยนะครับโดวยอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีคืออาหารที่มีไขมันต่ำโดวยเฉพาะไขมันอิ่มตัวนะฮะโดวยขณะเดียวกันก็ต้องมีคอเลสเตอรอลที่ต่ำด้วยนะครับและมีเส้นใยอาหารสูงซึ่งประกอบไปด้วยผักผลไม้และน้ำสะอาดการกินอาหารให้พอประมาณครบทุกหมวดหมู่และหลากหลายอีกด้วยนะครับโดวยในวันนี้ครับผมจะนำบทความของเรื่องการกิน อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของอาจารย์สรรและการกยาคงสมบูรณ์เวศผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการนะฮะกรรมการบริหารมูลที่คุณแม่คุณภาพนะครับที่เขาแนะนำถึงการปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี ขณะเดียวกันก็มีความสุขกับการกินได้ด้วยหลักการง่ายๆดังนี้นะครับหนึ่งเองครับผู้น้องฟังยืดยุนผ่อนสั้นผ่อนยาวคือไม่จะเป็นจะต้องกินอาหารในปริมาณเทา่าเท่ากันทุกมือ้อทุกวันเพราะในความเป็นจริงแล้วนะครับเราอาจจะกินบางมื้อมากบางมื้อน้อยก็ได้เพียงแต่ถ้ามื้อไหนกินมากก็พยายามใช้แรงงานตัวเองให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเดินเพิ่มขึ้นวันละสามสิบนาทีหรือถ้ารู้ตัวว่ากินอาหารไขมันสูงในมื้อเย็นในมื้อเช้าและมื้อเที่ยงก็ให้เลือกอาหารที่มีไขมันต่ำ ในหนึ่งสัปดาห์นะครับเราอาจจะลดหรือเพิ่มปริมาณอาหารในแต่ละมื้อก็ได้ขอเพียงจัดให้เหมาะสมกับค่าเฉลี่ยพลังงานที่ได้จากอาหารทั้งสัปดาห์ให้คงที่อยู่นั่นเองนะครับอย่างที่สองครับเลือกกินอย่างชานฉลาดนะครับคือกินอาหารอะไรก็ได้กินได้แต่ต้องรู้จักปริมาณในการกินนะครับถ้าเป็นอาหารที่มีไขมันเกลือหรือน้ำตาลสูงก็ควรกินในปริมาณที่น้อยลงและเลือกกินอาหารที่มีใยอาหารสูงร่วมด้วยอย่างเช่นผักหรือผลไม้นะครับ อย่างที่สามครับนั่นก็คือการปรับเปลี่ยนการบริโภคนิสัยอย่างค่อยเปลี่ยนค่อยไปนะครับคือการปรับเปลี่ยนนิสัยการกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพมาเป็นการกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายให้มากยิ่งขึ้นแม้ว่าการเปลี่ยนการบริโภคนิสัยจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่สามารถทำได้เลยนะครับเพียงเพียรพยายามวเวลาเล็กแล้น้อยค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปข้อสำคัญนั่นก็คือต้องทำอย่างสม่ำเสมอก็จะประสบความสำเร็จได้ในที่สุดนะครับข้อที่สี่ครับเลือกกินอาหารอย่างมีสติโดยเราสามารถทดลองอาหาร แปลกๆใหม่ๆได้เสมอนะครับแต่อย่าลืมพิจารณาชนิดของอาหารนั้นๆและปริมาณที่ควรกินได้โดยใช้พีระมิดอาหารเป็นแนวทางซึ่งจะเน้นการกินอาหารจากพวกผักผลไม้นมและลดปริมาณเกลือน้ำตาลรวมทั้งไขมันลงด้วยนะครับเพียงเท่านี้เองคุณก็จะเป็นผู้ที่มีความชาญฉลาดในการกินทั้งยังได้อร่อยอร่อยกับอาหารมากมายหลากหลายชนิดโดยได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์และถูกต้องตามหลักของการกินเพื่อสุขภาพที่ดีได้นะครับข้อที่ห้าครับขยับ กายเคลื่อนไหวอยู่เสมอนะครับการทำตัวให้กระฉับกระเฉงทำได้หลายวิธีครับคุณผู้ฟังอย่างเช่นการออกกำลังกายทุกวันอาจจะเป็นการวิ่งการเดินรวมถึงการเล่นกีฬาการว่ายน้ำหรือการทำงานบ้านล้างรถทำสวนหรือการเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์นะครับเหล่านี้จะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายทั้งสิ้นนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มการใช้พลังงานในชีวิตประจำวันแม้การเดินเพียงสิบนาทีหลังอาหารเที่ยงทุกวันก็สามารถทำให้ร่างกายกระฉับกระเฉงไม่เฉื่อยชาได้นะฮะซึ่งมีผลในการเพิ่มระบบเผาผลาญ ให้ร่างกายของเราเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นครับคุณผู้ฟังรวมถึงจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคอ้วนและโรค ก, กระดูกพรุนลงได้ครับคุณผู้ฟังครับทั้งนี้เองเราก็ไม่ควรปล่อยปละละเลยในเรื่องของการดูแลสุขภาพในด้านอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นการพักผ่อนอย่างเพียงพอการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอรวมถึงการหลีกเลี่ยงหรือปล่อยวางจากความเครียดทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสหันมองโลกในแง่ดีนะครับแค่นี้ก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงและก็มีสุขภาพที่ด ทั้งเรื่องของการบริโภคและการดูแลสุขภาพในด้านอื่นๆนะครับก็จะส่งผลให้สุขภาพของเราเนี่ยแข็งแรงดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ คุณผู้ฟังครับนี่คือเรื่องราวของช่วงเรื่องเล่าก่อนเข้าครัวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักกู้นะครับช่วงหน้าผมมีเรื่องราวของผักเมี่ยงนะครับซึ่งเป็นโปรวิตามินเอจากธรรมชาตินะครับที่ช่วยบำรุงสายตาป้องกันต้อรวมถึงต้านมะเร็งนะครับซึ่งเป็นอาหารจากทางปักใต้นะครับมาฝากคุณผู้ฟังนะครับติดตามได้ในช่วงของเมนูนักชีตในช่วงหน้าครับ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 ที่นี่เระวังจำหน่ายผลผลิตทางการเกศพผลิตภัณฑ์แปรรูปสดสะอาดและปอดภัยใส่กรอกไหร้แป้งไหร้ส า, การกันบูตรเนื้อหูอ่ะพรีเมียมว้าวผักสดผักสลัดไขเหตุ <Head. S 1> น้มสดจากฟาร์มผลิตภัณฑ์เบกอรี่และอื่นอื่นอีกมากมาย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 กลับมากับช่วงนี้ครับกับเมนูนักคิดครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของผักเมียงมาฝากคุณผังนะครับคุณผังครับผักเมียงหรือผักเหลียงนะครับถ้าเป็นชาวภาคใต้แท้ก็จะเรียกว่าเขียงนะครับหรือเป็นผักที่มีอยู่ในท้องถิ่นของภาคใต้นะครับมีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศสิงคโปร์นะครับเดิมเป็นผักป่ากขึ้นเองทั่วไปต่อมาก็นิยมบริโภคกันในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีชาวบ้านนำเอามาปลูกร่วมกับยาง ปรากฏว่าต้นงามและรสชาติอร่อยนะครับจากนั้นก็ขยายสายพันธุ์และปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับด้วยผักเหนียงครับคุณผู้ฟังรู้จักกันในอีกชื่ออื่นๆที่เรียกกันตามภาษาท้องถิ่นว่าเหรียงนะครับผักเหรียงนะครับเป็นพืชที่ไม่ชอบแสงแดดและความร้อนสูงครับจเจริญเติบโตได้ดีในสภาพร่มเงาพบทั่วไปตามเนินเขาและที่ราบนะครับให้ผลผลิตมากที่สุดในฤดูร้อนคือเดือนกุมภาพันธ์เดือนมิถุนายน และผลผลิตต่ำสุดในช่วงฤดูฝนนั่นก็คือเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมนะครับด้วยปัจจุบันเองผักเหลียงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับและมีการนำไปทดลองปลูกตามที่อื่นๆทงางภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะการปลูกคู่กับยางพลารา จนเรียกว่าพืดร่วมยางนะครับซึ่งได้ประโยชน์จากร่มเงาของต้นยางทำให้รสชาติผักอร่อยยิ่งขึ้นนะครับด้วยผักเหมียงได้ชื่อว่าเป็นราชนีของผักพื้นบ้านของภาคใต้นะครับด้วยรสชาติที่อร่อยถูกปากผักเหมียงเองจะมีรสชาติหวานมันอมขมและติดฝาดเล็กน้อยนะครับโดยชาวบ้านจะใช้เป็นผักเนาะรับประทานคู่กับอาหารที่มีรสชาติเผ็ดจัดช่วยตัดรสจัดจ้านลดความเผ็ดลงได้นะครับและถ้านำไปผัด กับน้ำมันหอยก็จะอร่อยเลิศเลยทีเดียวนะครับโดยผักเมียงเป็นผักกินใบครับจะเลือกเอาใบอ่อนมาปรุงอาหารบ้างเองก็จะทำมาเป็นแกงเรียงทำเป็นห่อหมกนะครับหรือแกงจืดแกงส้มเรียกได้ว่าผักเมียงเองทำได้ทุกเมนูเลยนะครับผัดใส่ไข่ก็อร่อยมากเหมาะสำหรับทำให้เด็กรับประทานเพื่อเพิ่มคุณค่าสารอาหารให้ครบถ้วนนะครับถ้ากล่าวถึงสารอาหารในผักเมียงครับคุณฟังที่ได้รับการวิเคราะห์คุณค่าทางพุทธนาการจากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัย สงขาหนาคหลินนะครับพบว่าในใบเขียวเข้มของผักเหมี่ยงเองนะครับจะอุดมไปด้วยสารเบต้าคาร์ตินที่สูงมากซึ่งเหมาะกับเด็กที่กำลังเจริญเติบโตและผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของสายตาหรือขาดวิตามินเอนะครับเจ้าสารเบต้าคาร์ตินนั้นเมื่อไปจับกับไขมันจะเปลี่ยนเป็นโปรวิตามินเอวิตามินเอ ถ้าได้จากสัตว์จะอยู่ในรูปของวิตามินเอแต่ถ้าได้ในพืชจะอยู่ในรูปของเบต้าแคโรทีนนะครับและเมื่อจับกับน้ำมันจะเปลี่ยนรูปไปเป็นวิตามินเอเราจะเรียกว่าโปรวิตามินเอนั่นเองนะครับซึ่งมีประโยชน์ในการแก้ตาบอดกลางคืนหรือตาผ้าฝางได้เป็นอย่างดีการทำงานของเบต้าแคโรทีนในการบำรุงสุขภาพของดวงตาซึ่งเบต้าแคโรทีนเองจะย่อยสลายที่ตับแล้วจะได้รับวิตามินเอ ซึ่งร่างกายนำไปใช้สร้างสารโรดอปซินในดวงตาส่วนเรติน่าทำให้ตามีความสามารถในการมองเห็นในตอนกลางคืนได้นะครับและยังลดความเสรื่อมของเซลล์ลูกตาลดความเสี่ยงต่อการเป็นต้อกระจกอีกด้วยนะครับโดยประโยชน์ถัดมานั่นคือการลดความเสี่ยงต่อภาวะมะเร็งจัดเป็นสารต้านอนุมูลสละที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังเมื่อร่างกายมีสารตัวนี้จะช่วยปกป้องการเกิดเซลล์เนื้อร้ายหรือเซลเล์มะเร็งได้และยังช่วยกระตุ้นเซลล์ภูมิต้านทานในร่างกายที่มีชื่อว่า T helper ในการทำงานต้านสิ่งแปลกปลอมได้ดียิ่งขึ้นนะครับให้ผลดีกับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อมะเร็งและที่สำคัญกลุ่มสารดังกล่าวยังช่วยเติมความเปล่งปลั่งให้กับผิวป้องกันความหิวยน่นชะลอความชราหรือต้านการแก่ได้ดีนะครับซึ่งสอดคล้องกับการบันทึกของตำรายาสมุนไพรของชาวบ้านที่กล่าวนะครับว่าผักเมีย่ยงมีประโยชน์ต่อร่างกายเมื่อรับประทานแล้วจะช่วยบำรุงสายตาทำให้สดชื่นกระปี้กระเป๋าแก้กระหายน้ำได้เป็นอย่างดีนะครับโดยส่วนมากชาวสวนยางจะรู้ดี ในเรื่องนี้ซึ่งเวลากระหายน้ำหรือเหนื่อยมักจะเด็ดยอดอ่อนส ด, สดๆเคี้ยวไปเรื่อยๆซึ่งจะช่วยลดการกระหายน้ำได้เป็นอย่างดีนะครับและทีเด็ดสำคัญนั่นก็คือชาวบ้านจะใช้ใบผักเมี่ยงบำรุงผิวด้วยเฉพาะการรักษาฝ้าได้เป็นอย่างดีนะครับและลดหวานมันของผักยังจะช่วยบำรุงฟัน กระดูกและเอ็นได้อย่างดีนะครับซึ่งสอดรับกับคุณค่าทางพุทธชันาการในใบเมียงนอกจากจะอุดมไปด้วยเบต้าคราร์ตินแล้วยังมีแคลเซียมสูงซึ่งมักจะพบในพวกของผักใบเขียวอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองกลุ่มสารอาหารที่สำคัญที่พบก็คือวิตามินบีซึ่งจะช่วยในเรื่องของระบบประสาทบำรุงประสาทได้เป็นอย่างดีนะครับวิตามินบีหนึ่งนั้นดีต่อสมองและความจำวิตามินบีสองจะช่วยเผาผลาญกรดอะมิโนจากโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันนะครับให้เป็นพลังงานแก่ร่างกาย ไดอาซินจะช่วยในกระบวนการการเผาผลาญอาหารในร่างกายได้เป็นอย่างดีและให้กระบวนการการผลิตไขมันที่มีความจำเป็นไปด้วยดีนะครับเนื่องจากเป็นผักประจำถิ่นภาคใต้จึงมีเยอะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดละนองพังงาชุมพรสุราษฎร์ธานีกระบี่และตรังนะครับชาวบ้านในจังหวัดละนองจึงนำเอาผักเลียงมาแปรรูปเป็นข้าวเกี๊ยวผักเลียงเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าโอท็อปรสชาติอร่อยนะครับ คุณฝั่งครับทั้งหมดนี้นี่คือประโยชน์ของผักพื้นบ้านใบเขียวๆที่หน้าตาอาจดูเหมือนไม่อร่อยนะครับแต่ถ้าคุณฝั่งได้ลิ้มลองแล้วรับประกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูผัดน้ำมันหอยเองผด ใส่ไข่เองแกงเลียงเองแกงจืดเองล้วนเป็นเมนูรสเลิศของผักเมี่ยงทางซีนนะครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของเมนูนักคิดในวันนี้กับผักเมี่ยงโปูวิตามินเอธรรมชาติระดับโอท็อปนะครับที่ช่วยในการบำรุงสายตาป้องกันต้อรวมถึงการตานมะเร็งด้วยนะครับ ฟังครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับอีกหนึ่งช่วงกับช่วงคุยข้างครัวนะครับวันนี้คุยข้างครัวนำเรื่องราวของของทอดนะครับความกรอบที่แฝงไปด้วยอันตรายนะครับจะอันตรายอะไรบ้างติดตามได้ในช่วงหน้าครับฟู้ดเดลิเวอรี่พร้อมเสิร์ฟความรู้คู่ความอร่อยหลากหลายช่วงรายการหลากหลายรสชาติทางเอฟเอ็ม 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรี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 กลับมากับช่วงนี้ครับกับช่วงคุยข้างครัวครับคุณผู้ฟังครับวันนี้คุยข้างครัวนำเรื่องราวของของทอดมาฝากคุณผู้ฟังนะครับคงปฏิเสธไม่ได้ครับคุณผู้ฟังว่าของทอดต่างๆอย่างมันฝรั่งทอดนะฮะไก่ทอดรวมถึงเฟรนช์ฟรายล้วนเป็นเมนูโปรดปานของใครหลายคนนะครับแต่ต้องจากรสชาติที่อร่อยและลักษณะชวนรับประทานแล้วนะครับคุณผู้ฟังรู้หรือไม่ว่าของทอดเหล่านี้มีแคลอรี่และไขมันทรานส์ในปริมาณที่สูงนะครับดังนั้นการรับประทานอาหารชนิดนี้ เป็นประจำก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพและก่อให้เกิดโรคได้นะครับเราควรเลือกลับประธานของทอดอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับวันนี้ผมมีมาฝากคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ฟังครับของทอดมีแคลอรี่สูงอาหารที่ผ่านกระบวนการทอดส่วนใหญ่จะมีแคลอรี่สูงเมื่อเทียบกับอาหารที่ผ่านการปรุงด้วยกรรมวิธีอื่นๆนะครับเนื่องจากการทอดอาหารในน้ำมันจะทำให้อาหารสูญเสียน้ำและดูดซับไขมันเข้าไปแทนรวมทั้งวัตถุดิบที่จะนำไปทอดมักถูกชุบด้วยแป้งทอด กรอบก่อนเสมอนะครับจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ของทอดมีแคลอรี่สูงนะครับด้วยอย่างมันฝรั่งทอดอบหนึ่งลูก ที่หนักประมาณหนึ่งร้อยกรัมจะให้คุณค่าทางพุทธนาการเป็นพลังงานเก้าสิบสามแคลอรี่และมีไขมันศูนย์กรัมนะครับในขณะเดียวกันที่เฟนไฟายหรือมันฝรั่งทอดหนึ่งร้อยกรัมจะให้พลังงานถึงสามร้อยสิบเก้าแคลอรี่และมีไขมันสิบเจ็ดกรัมนะครับนอกจากนี้การรับประทานของทอดอาจทำให้เกิดภาวะอ้วนได้ง่ายครับผู้นิฟังโดยมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับชี้ให้เห็นว่าไขมันทรานในอาหารทอดอาจส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนที่ควบคุมความอยากอาหารและการสะสมไขมันซึ่งเป็นเหตุ ให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับด้วยของทอดมักมีไขมันทาร์สสูงครับคุณผู้ฟังซึ่งไขมันทาร์สก็จะเกิดจากการเปลี่ยนสภาพของไขมันไม่อิ่มตัวด้วยการเติมไฮโดรเจนลงไปในน้ำมันนะครับ โดยผู้ประกอบการหลายแห่งมักใช่วิธีนี้ในการผลิตอาหารเพื่อยืดอา ย, อายุการเก็บรักษาและทำให้อาหารคงอยู่ในสภาพเดิมได้นานยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้กระบวนการการเติมไฮโดรเจนอาจเกิดขึ้นไดจากการประกอบอาหารที่ใช้ความร้อนสูงซึ่งกระบวนการดังกล่าวนะครับจะทำให้โครงสร้างของน้ำมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเหตุให้ร่างกายสลายไขมันไม่ได้จนอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆอย่างเช่นโรคหัวใจและโลรคเบาหวานนะครับแม้อาหารทอดจะส่งผลเสียต่อร่างกายหาก รับประทานในปริมาณมากหรือรับประทานติดต่อกันเป็นเวลานานนะครับแต่ว่าด้วยรสชาติและเนื้อสัมผัสกรุบกรอบก็อาจทำให้หลายคนอดใจไม่ได้ซึ่งปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ก็อาจจะช่วยให้รับประทานของทอดได้อย่างปลอดภัยต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างแรกเลยนะครับคุณผู้ฟัง ก็คือเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้ทอดการปรุงอาหารประเภททอดนั้นต้องใช้อุณหภูมิสูงกว่าอาหารประเภทผัดจึงควรเลือกใช้น้ำมันที่เหมาะสมกับการทอดมากกว่านะครับอย่างการใช้น้ำมันปาล์มหรือน้ำมันจากสัตว์แทนการใช้น้ำมันหัวเหลืองน้ำมันดอกคำฝอยหรือน้ำมันลำข้าวแต่ก็ควรใช้น้ำมันในปริมาณที่เหมาะสมนะคะและควรระวังในเรื่องของคอเลสเตอรอลจากไขมันสัตว์ด้วยนะครับเนื่องจากร่างกายเองจะได้รับปริมาณไขมันจากการรับประทานเนื้อสัตว์อยู่แล้ว โดยการใช้น้ำมันหมูหนึ่งช้อนร่างกายจะได้รับคอเลสเตอ ร, รอลสูงถึงประมาณเก้าถึงสิบมิลลิลิตรนะครับวิธีที่สองนะฮะเปลี่ยนวิธีการทอดครับอาจเปลี่ยนไปทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ ต้องการรับประทานอาหารทอดที่ปลอดภัยต่อสุขภาพนะครับโดยตัวเครื่องจะพ่นลมร้อนออกมารอบๆ อ, อาหารทำให้อาหารกรอบด้านนอกเลเยเนื้อสัมผัสด้านในมีความฉ่ำซึ่งจะใช้น้ำมันน้อยกว่าการทอดแบบธรรมดา 70-80% เลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้เองก็อาจจะใช้วิธีการอบแทนการทอดโดวยการอบอาหารที่อุณหภูมิสูงประมาณ232องศาซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้อาหารมีความกรอบแม้จะใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อยหรือไม่ใช้เลยก็ตามนะครับอย่างต่อไปก็คือปรับวิธีการทอดนะครับ หากต้องการใช้กระทะแบบธรรมดาอาจปรับเปลี่ยนวิธีการทอดด้วยเคล็ดลับที่ช่วยให้อาหารปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นทอดอาหารโดยใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อให้น้ำมันเพียงพอต่อการเคลือบอาหารและไม่ให้ติดภาชนะทอดนะฮะโดวยใช้วิธีนี้แทนการทอดอาหารให้จมอยู่ในน้ำมันนะครับเลือกใช้น้ำมันที่ทนความร้อนสูงในการผัดหรือทอด ไม่ใช้เก rict ขนมปังเครื่องขนมปังเครือบอาหารเพราะจะทำให้อาหารดูจそしてจะน Rooster น่ำมารน ça ไม่ใช้ eg ่น่ำมันเก่าด้วยควรเปลี่ยนดซ constit sushop ข้นทำให้งานทุกครั้งกับใช้ ysu governor ーツ對啊สำหรับ ировать impres vegetarian の Bomber การทานของทอดให้ปอนไฟที่ผมนำมาฝากในช่วงของขุย Muhy Townorbe พั Link ค, ครั บ, รบเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสะกัก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 ครับมากับช่วงนี้ครับกับช่วงเปิดมอครับวันนี้เปิดมอนำเมนูแกงส้มดอกแขกุ้งมาฝากคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ฟังครับดอกแขกเป็นพืชนะครับที่ช่วยปรับสมดุลภายในร่างกายของเรานะครับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันวัดได้เป็นอย่างดีนะครับอีกทั้งพริกแกงที่อยู่ในแกงส้มนี้ยังจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญพลังงานของร่างกายรวมถึงทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วยนะครับโดยส่วนผสมประกอบไปด้วยน้ำพริกแกงสามช้อนโต๊ะครับ กุ้งสดสิบถึงสิบสองตัวดอกแคร์สี่ร้อยกรัมน้ำปลาห้าช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บสองช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียกครึ่งถ้วยตวงน้ำมะนาวสองช้อนชาน้ำสะอาดห้าถ้วยนะครับซึ่งวิธีการทำแกงส้มดอกแคร์นะครับก็ง่ายๆเลยนะฮะนำดอกแคร์มาเกะเกสรออกล้างในน้ำสะอาดสะเด็ดน้ำและพักไว้นะครับล้างทำความสะอาดกุ้งปอกเปลือกผ่าหลังพักไว้นำน้ำสะอาดใส่หม้อ ตั้งบนเตาไฟร้อนปานกลางใส่พริกแกงส้มลงไปนะครับต้มรอจนน้ำเดือดจึงใส่กุ้งสดลงไปและดอกแครลงไปนะครับต้มจนกุ้งและดอกแครเริ่มสุกจึงปรุงรสด้วยน้ำตาลปีบ๊บ น้ำปลาและน้ำมะขามเปียกชิมจนได้รสชาติที่ต้องการจึงปิดไฟยกลงจากเตานะครับเติมน้ำมะนาวและคนให้เข้ากันตักแกงส้มชัยชามแค่นี้ก็จะพร้อมเสิร์ฟทันทีกับข้าวสวยร้อนๆนะครับคุณฟังครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของรายการฟู้ดเดลิเวอรี่วันนี้นะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ฟังผมและทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ พูดเดลิเวอรี่ช่วงเรื่องเล่าก่อนเข้าครัว